ถ้าใครบอกว่าไม่เอาเมตตาแสดงว่าเขาโยมรับถูซ่ปฏิกะกวางโกรดในพุทธศาสนาก็มีธรรมะมีการเจริญกรรมมรทานบางอย่างนะโยมเดี๋ยกวก็เป็นมันมันโอโซดเป็นยาเภสัตเฉพาะแก้ปัญหาสมมติเมตตากรรมมรทานเป็นเภสัชแก้ปัญหาถูซ่ อบุดาชา ต, ตรัตไว้ว่าเมตตาภาวิตตบะบัญญัติสัพหานายนี่คือโดยตรงเฉพาะสำหรับเรื่องนี้อสุภาภาเวิตตบาราคาสัพนถ้าเป็นอสุภากรรมฐานได้จัดการราคะโดยตรงอานาปานสติภาเวิตตบะวิตกัูปัจเฉทัย การดูลมจเจริญอนาปานสัติมองกับคนที่มีลักษณะว่าฝุ่งร้านในจิตใจมีบิตกเยอะอทำให้จิตเป็นสงบที่เดียวมันทำได้ถ้าแบบสำเร็จส่วนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าจเจริญอนิจจสัญญากำนดอนิจจังจัดการนี่แหละมานะอสศมิมานะ แต่ปกติก็พูดถึงการเจริญมีปัสนากรรมฐานจัดการอากุโซนกิเลสทั้งปวงแต่สำหรับเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าภูมิบุญญาดิการมากไม่จำเป็นต้องกรรมฐานอื่นๆอะไรแค่ที่เดียวก็กำหนดวิปัสนาจัดการราคะตูสะโมห oh ะ หนีวุธรรมอะไรก็ได้ที่เดียวแต่ส่วนมากอะอกระทั่งสมัยพุทธกาลนะโยมคนที่มีคุณสมบัติคาดเรื่องต่างๆพระพุทธเจ้าก็าให้แนะนามาจัดการโตสะจัดการราคะจัดการฟุงซ่านทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างสุตท้ายนี้ก็ทำให้จิตกวนแก การเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่มาถึงปัจจุบันนี้บางครั้งเราไม่เข้าใจแนวาการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยก็คิดว่าเอานี่แหละ ว, วิปัสสนาอย่างเดียวเจริญในธรรมะได้คนแบบนี้หา ย, ยากโยมแม้สมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นแบบนี้สาพุดึ อาราสาวุกในตอนพระโมคคัลลานะเทระอนก็มีการปรารุความเพียรในการเจริญสมาธิมากไม่ใช่ว่าเอาวิปัสสนาแล้วก็เจริญในธรรมะที่เดียวคนแบบนี้มีแต่หน่อยมากเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเข้าใจว่ากรรมฐานแต่ละอย่างมันจะจัดการปัญหาต่างๆสุดทายนี้ก็ทำให้ชีวิตเรา กวนแกเจริญในธรรมะถ้าเขามีสติปัญญามากกำหนดวิปัสสนาแล้วก็ละทสะาได้กำหนดวิปัสสนาแล้วก็จัดการราคาได้กำหนดเป็นวิปัสสนาแล้วก็จัดการฝุ่งซ่านได้แต่ถ้าไม่มีสติปัญญาถึงระดับขนาดนั้นอยเพื่อละทสะาเขาต้องมีเมตตากัมฐานเพื่อละราคะเขาต้องมีอสุบารดู สภาวะร่างกายแบบนี้มีกรรมฐานต่างๆมันทำให้จัดการกิเลสสุตานี่ก็มันทำให้จิตนี่แหละโมแกาการเจริญสติปัฏฐานกวนแกการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นแต่ก็เห็นว่านักปฏิบัติอยู่ปัจจุบนันนี้ไม่แน่แสว่าเรื่องนี้ เข้าใจอย่างถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่อยากเอาเมตตาก็แสดงว่านี่แหละโยมรับูกสัะ